แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกาศให้รู้ว่ามีใครกันบ้างที่เป็นทูตวัฒนธรรมในด้านการพูดอก็มีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมที่เห็นชัดๆมีคุณนายจันเจ้าฉายอแล้วก็มีศิลปินวัยรุ่นอชื่อคุณอะไรนะคุณอ้อมสุนิสาสุบุญสังอ๋อจา๋าจค่ะที่เคยบวชชีด้วยนะคะอ่า แล้วก็ยังมีคุณอ้อสศินาผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดคนนี้ก็ธรรมธ ร, รมโมนับตั้งแต่ที่ฉันรู้จักเลยแล้วก็มีคุณวีรินทิรานาทองบอจรัดมีคุณวูดดี้เกิดมาคุยน ะ, ะ่ะคืะ ม, มีเจ้าของยาคูชื่อคุณกนกพันธ์เหตระกูลแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งเลยนะคะคุณแอนดรูบิคท่านทั้งหลายเนี่ยประสบความสำเร็จจากการพูดดีเพราะเขาเชื่อว่าการพูด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 พิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยท่านคลิกปุ๊บใบไม้จะลอยไปติดบนต้นไม้อืแล้วในลําดับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งในรายชื่อในแปดล้านสี่แสนชื่อที่จะถวายพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระรจ <c oughs> ้าคุณสุนทรดีๆก็ท่านผู้ฟังก็ไปที่นี่ได้แล้วก็รุ่มรณรงค์นนนในการผู้ชอบคือเขียนใบไม้ติดแล้วก็ให้ปริวัติ ด, ด้วยนอกจาก<ๆ>ที่ Facebook แล้วไปที่ไหนได้อีกละ่ะคุณคุณติค่ะเขาก็จะมีเว็บไซต์กันท่านคะชื่อ be thai dot org be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 คุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นคำพูดที่ควรพูดหรืออันนี้เป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดนั้นะจะรู้ได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยคือสมาทิฐินันเป็นความเห็นที่คุณจะต้องมีก่อน<ฆ>ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าได้เคยพูดกับพราหมณ์ชื่อโลหิตะไว้<ฆ>บอกว่าโลหิตะพราหมณ์เนี่ยถ้าถ้ามีคนมากล่าวกับโลหิตะพราหมณ์บอกว่าอ้โลหิตะพราหมณ์เนี่ยทาไม่ถูกมาเที่ยวชวนคนอื่นไป ทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคําพูดตรงเนี้ยถ้าถ้ามีคนมากล่าวตูอย่างนี้เนี่ยนะกับโลหิตจ ะ, <ท>ะพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์องค์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยการกล่าวตูของคนของคนนั้นที่กล่าวตูกับโลหิตจะพราหมณ์อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้กล่าวตามที่เป็นจริง <ทะ S 1> อ่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบเหมือนกันบอกว่าถ้ามีใครมาในโลกนี้นะมาบอกว่าการที่ อาตถาคตสอนแล้วไปไม่ถูกต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำรามกอะไรต่างๆเนี่ยคำพูดของคนนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งเขาพูดไม่ถูกเนี่ยเขาก็เป็นมิจฉาวาจาด้วยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปด้วยการเหมือนกันคนที่พูดโกหกคนที่กล่าวตู่คนอื่นมากๆทาบ่อยๆทามากๆจะเป็นไปสองอย่างคืนอนรกหรือกํำนเาานิดติรสารเพราะฉะนั้นผู้ที่มีมิจฉาทิฐิ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 เพราะว่าคุณไปมัดมือมัดเท้าเขาก็ฮอรมนไม่ได้ตอนนั้นเองแต่ทั้งหมดมันมาที่จิตไงเวลาเราจะปิดกัน้นจริงๆเราต้องปิดกั้นที่จิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงแนะนําตรงนี้เรื่องของสัมมาทิฏฐิคุณต้องอมีทิฏฐิที่ถูกต้องก่อนนะคุณถึงจะอ้าปากออกมาเนี่ยไม่เหม็นเม็นออกมาถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าการลงโทษที่ทําทํากันอยู่ยไม่น่าที่จะแก้ปัญหาได้จริงสิคะ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 แต่สังสารวัตรเนี่ยจองจำคุณโอ้โหนับพบนับกลับนับกันไม่ทื่อมานานแล้วท่านเนบญุ์กำลังจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะมาอะอการพัฒนาจิตมากกว่าในคุกอีกแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าคุกที่เป็นสันเตที่เราเข้าใจกันอ่าใช่ใช่นะหรือว่า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 8ล้าน4แสนชื่อภายใน84วันโดยการคลิกไปที่พูดชอบ PWODCHOB ที่ Facebook หรือว่าไปที่ bthai.be.thai.org ส่วนจะถามคำถามท่านพบูล์ p e ยวธรรม a .com/106 ลากันไปเท่านี้ก่อนกนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้พบกันคะ่ะพูดทว ส, สวัสดีคะ่ะ